เป็นส่วนหนึ่งที่ถึงกันโดยท่านวร ว, วิชราเมธีบรรยายนักฝ่ายเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2557ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพณบวัดนี้ เวียงชัยเบอร์อเวียงเชิงรุง้งอำเภอขนตานท่านรองปละหลัดอเชียงรายท่านหัวหน้าโครงการฝายเชียงรายท่านนายกอมบตุนทุ่งกอแล้วก็ญาติโยมพุทธษศาสนิกชนที่น้องผู้ได้รับประโยชน์จากฝายแม่น้ำกกเชียงรายทุกท่านทุกคน วันนี้เราท่านทั้งหลายมารวมกันที่นี่เพื่อร่วมในพิธีสืบชะตาน้ำแม่กบซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการฝายเชิงรายท่านทั้งหลายคนไทยแต่โบราณ น, นั้นท่านเป็นคนที่ฉลาดลุ่มลึก ในฝากวิธีที่เราจะปฏิบัติต่อธรรมชาติเอาไว้อย่างแยกคายที่สุดท่านทำอย่างไรท่านทั้งหลายวิธีการของท่านก็คือท่านบอกว่ามีเทพเจ้าสิงสถิตยอยู่ในธรรมชาติ แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างเช่นในผืนแผ่นดินมีพระแมธทรณีปกปักรักษาอยู่เช่นครั้งหนึ่งเมื่อก่อนที่จะตรสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นมีกองทัพพยามาน ญาติราทัพมาทวงบัรลังคืนจากพระโพธิสัตว์เสถ่ของเราพระโพธิสัตว์ชี้พระดัชนีคือนิมิชีลงไปยังผืนแผ่นดินแล้วอ้างเอาแม่ธรณีมาเป็นพยานในคุณงามความดีที่ท่านทำไว้ทุกภพทุกชาติเพราะทุกครั้งที่ทำคุณงามความดีให้สินให้พรให้ทานช่วยเหลือเกื้อนคุณเพืพ่อนมนุษนั้น พระโพธิสัตว์ได้หลังน้ำทักษิโนโทกลงเดินพระแม่ธรณีนี่แหละเป็นผู้เก็บรักซึมซับน้ำทักษิโนโทกซึ่งเราเรียกว่าน้าหยาดหรือน้าที่เรากลวดลงเดินเอาไว้พระแม่ธรณีจึงปรากฏกายแล้วก็บีบมวยผมให้น้านั้นไหลหลั่งทางท้นออกมาให้กองทัพพญามารเห็นบันนี่ไงน้ำที่พระโพธิสัตว์หลังไว้เมื่อคราวบาเพ็ญ ทานทุกภพทุกชาติมีมากมายพ้ายาบาลเห็นเช่นนั้นแล้วจึงยอมรับว่าบันลังนั้นเป็นของพระโพธิสัตว์แล้วก็ถูกน้ําที่ไหลหลังทางทนออกมาจากมวยผมของพระแม่ธรณี น, นั้น่พัดพาแตกกระจัดกระจายนี้ยะย้ยยายผ้าจะใ จ, ใ, จใหผ้แพ้แก่พระโพธิสัตว์ไปในที่สุด นี่คือเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าในผืนแผ่นดินนั้นมีพระแม่ธรณีอยู่คนโบราณท่านแต่ก่อนนั้นจึงเคารพดินมากท่านทั้งหลายจะขุดดินแต่ละทีนี่ต้องยกมือประนมก่อนนะขอข้มาก่อนเข้าป่าเข้าเขาเข้าป่าเข้าดอยเนี่ยจะอุจจาราจะปัสสาวะ จะต้องขอขมาพระแม่ธรณีก่อนฮะยิ่งเข้าป่าลึกเท่าไหรน่นี้คนโบราณท่านจะสอนลึกเลยว่าต้องเคารพป่าเคารพดินเคารพน้ำห้ามพูดคำหยาบนยุคสมัยของอาตม า, าพระเป็นเด็กนี้อาตมาก็ยังทันอยู่ไปหาเห็ดหานอบนดอยจุณพ่อคแม่จะสอนนักศอนหนาว่ายิ่งเข้าป่าลึกห้ามพูดคำหยาบเป็นอันขาด จะปัสสาวะจะอุจจาระลงบนดินต้องกราบขอขมาพระแม่ธรณีถ้าทำไม่ดีระวังให้ดีเนะเมฆครึ้มฝนตกพายุพัดท่านทั้งหลายเคยมีประสบการณ์ไหมนี่ความชานฉลาดของครูบาอาจารย์ท่านแต่ก่อนท่านสอนเราให้เคารพดินเคารพน้ำเคารพฟ้าเคารพป่าเคารพเขา ผลของการสอนเช่นนี้ทำให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ในดินมีพระแม่ธรณีในน้นมีอะไรพระแม่คงคาดังนั้นเราจึงมีประเพณีขอขมาพระแม่คงคาซึ่งทุกๆปีเราได้กินได้ใช้ได้ดื่มได้อุจจาระได้ปัสสาวะ ได้เทขยะได้เทของเสียได้เทน้ำบวมน้ำเน่าที่เรากินเราใช้เสียแล้วลงเมื่อน้ำลำคลองปีหนึ่งเราจึงมาร่วมกันทำพิธีขอขมาคารวะต่อพระแม่คงคาเราเรียกวันเช่นนั้นว่าวันลอยกระทงถักจากนั้นถ้าเราจะปลูกข้าวในท้องไร่ท้องนานมีอะไร พระแม่โพศในน้องไร่ท้องนานมีพระแม่โพศก่อนจะไถานานจึงต้องมีพิธีแหกนาหรือแรกนาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางซึ่งจำเพาะเจาจงลงไปหมายถึงบอกกล่าวแก่แม่โพศว่าจากนี้เป็นต้นไปลูกหลานจะไถจหวันบนผืนแผ่นเดนของแม่ ซึ่งก็เป็นดังหนึ่งร่างกายของแม่โพถเมื่อทําพิธีแรกนาปักเฉลยวเรียบร้อยแล้วจากนั้นจึงจะทําพิธีหรือจากนั้นจึงจะเริ่มต้นไถนาเราเคารพท้องไร่ท้องนาเคารพข้าวด้วยข้าวที่เราได้จากนานั้นจานแรกของเราก้อนแรกของเราเรายังไม่กิน เราโน้มนำไปถวายพระในวันที่เราเอาข้าวใหม่ไปถวายพระเราเรียกว่ามีพิธีถวายข้าวใหม่หรือตานข้าวใหม่ของดีที่สุดเราจะยังไม่กินไปให้พระที่เราเคารพนับถือก่อนและถอยไกลไปกว่า น, นั้นถ้าเป็นชาวนาตัวจริงหลังเสร็จพิธีเกี่ยวข้าว เสร็จพิธีเอาเข้าวขึ้นยุงขึ้นช้างหลังงานถวายตาเข้าใหม่แก่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแล้วยังจบไม่ได้นะกระบวนการทำไร่ฐานายังไม่จบต้องมีพิธีบายสีสู่ขวัญควายเราก็รบแม้กระทั่งควายซึ่งคนไทยหลายคนมองว่าควายนะงู เวลาตำหนิหรือด่ากันบริภาดกันจึงบอกว่าโง่เหมือนควายไม่ความเป็นจริงควายโง่จริงหรือถ้าโ ง, ง่ในใครเนี่ยไถนาให้เราควายไม่ได้โง่คนโบราณท่านแต่ก่อนท่านฉลาดท่านเห็นว่าควายไม่โง่ไถนาทำให้เราได้วานได้ดาได้เก็บได้เกี่ยว มีข้าวกินอยู่ทุกเมื่อเช้าวันถ้าไม่ใช่เพราะควายละเพราะใครฉะนั้นคนโบราณท่านแต่ก่อนเสร็จหน้านาปั๊บท่านก็บายสีสูขขวัญควายด้วยความเคารพอาตมายังทาพิติกรรมทมเนียมเหล่านี้สามารถเป็นพยานหลักฐานได้สามารถยืนยันได้อย่างเชัดเจนว่านี่คือริ้รอยแต่โบราณท่านแต่ก่อนท่านได้าไดทากันมาอันแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่อ่อนน้อมทาตนและเคารพต่อธรรมชาติ ในดินมีพระแม่ธรณีในน้ำมีพระแม่คงคาในนามีพระแม่โพศพในป่าในเขามีใครเจ้าป่าเจ้าเขาในต้นไม้มีรุกขเทวดาในท้องฟ้ามี พระอินเห็นไหมคนโบราณนั่นแต่ก่อาานนั้ฉลาดมากในธรรมชาติมีเทพเจ้าสิงสถิตยอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นฉะนั้นเวลาเราเข้าป่าเข้าเขาไปเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องระมัดระวังกายวาจาใจคือเราต้องรักษากายวาจาใจของเรานะให้เรียบร้อยเหมือนเราเข้าโบสถ์เข้าวิหารนะ ยิ่งเข้าป่าลึกไปหาของป่าต้องรักษากายวาจาใจาให้เรียบร้อยพูดตลกคะ น, นก็ไม่ได้พูดคำหยาพายก็ไม่ได้อุจาราปัสสาวะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางไม่บอกเจ้าป่าเจ้าเขาก็ไม่ได้จะไปําไม่ดีไม่งามในป่าในเขาไม่ได้เดี๋ยวผีรอกเดี๋ยวหลงทางเดี๋ยวถูกผีอําผีกันผีแกล้ง ทำให้ไปเจอเครือเขาหลงทำให้มืดฟ้ามัวดินฝนตกพายุกระหนำ่ำฟ้ามืดฟ้าร้องออกจากป่าใหญ่ไพแร้ะหงไม่ได้เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาถรรพ์ของป่าจะเกิดถ้าเราเข้าป่าไปแล้วเราไม่เคารพป่าไม่เคารพดงไม่เคารพดอยไม่เคารพลำหันและหารห้วยโบราณอาจารย์ท่านสอนว่า ถ้าเข้าป่าเข้าดอยเข้าดงขึ้นเขาไปอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่แพร่ระหงแล้วไม่ระวังไกลมาจะใจให้ดีนะระวังให้ดีนะมึงเด็กเขาเรียกว่าขึ้นขึ้นคืออะไรกาและกินีจะบังเกิดฉะนั้นคนโบราณ น, นั้นท่านเคารพป่าเคารพเขาจึงมีต้นไมใ้ใหญ่ๆสิบคนโอบยี่สิบคนอบเยอะแยะไปหมดใช่ไหม เดี๋ยวนี้เหลืออย่างนั้นหรือเปล่าพอเราเลิกเคารพธรรมชาติพอเราเลิกเคา ร, ร, ราพ เ, รา เ, เ, ารเทพเจ้าซึ่งโบราณอาจารย์ท่านแต่ก่อนท่านเชื่อกันมาเท่า น, นั้นเองป่าใหญ่ไพเราะของเราเปีย้ยงดอยอะไรทบ น, นี้เอาเลื่อยไฟฟ้าขึ้นไปตัดตามอำเภอใจขุดป่าขุดเขาทำลายไม้ใหญ่ซึ่งเป็นป่าต้นนะ ซึ่งก็มีค่าเท่ากับเราทำลายความร่มเย็นเป็นสุขของตัวเราเองเพราะตัวเรากับสิ่งแวดล้อมตัวเรากับธรรมชาติไม่อาจแยกขาดออกจากกันอากาศที่เราหายใจนี่มาจากต้นไม้คุณตัดต้นไม้อากาศก็ไม่บริสุทธิ์แล้วคุณฉีดสารเคมีลงตามแม่น้ำลำคลองเดี๋ยวมันก็ไหล ย, ย้อนกลับมาหาคุณ คุณพ่นสารเคมีใส่ต้นผละมะม่ารากไม้ทั้งหลายเดี๋ยวพอฝนชะลงมามันก็ลงไปตามอ่างตามน้ำตามหนองปลากินปลาก็ได้รับสารพิษคนกินคนก็ได้รับสารพิษฉีดสารเคมีใส่ต้นไม้ดอกต้นไม้ผลพอลมพัดมาสารเคมีเหล่านั้นก็ปลิวมาเข้าปากเข้าจมูกเราซึมซาบเข้าไปในผลละม่ารากไม้ สุดท้ายท่านทำสิ่งใดไว้กับธรรมชาติท่านทำสิ่งใดไว้กับสิ่งแวดลอ้อมสิ่งนั้นจะกลับมาหาตัวเองในที่สุดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอคนรุ่นเรานั้นไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คนรุ่นก่อนหน้านั้นท่านฉลาดนักท่านมีวิธีเยียวยารักษาสิ่งแวดลอ้อมท่านมีวิธีที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสุ ข, ขุมลึก นั่นคือการบอกว่าในสิ่งแวดล้อมมีเทพเจ้าปกปักรักษาในป่าในเขาก็มีเจ้าป่าเจ้าเขาในต้นไม้ก็มีลุกขะเทวดาอาศัยอยู่ฉะนั้นด้วยความเชื่อเช่นนี้ทั้งตัง้งหลายหลายสิบปีที่ผ่านมาน้ำถ้าจึงอุดมสมบูรณ์ดินจึงดีดีขนาดไหน ดีขนาดว่าคดมากินได้เลยเขาเรียกว่าดินโป่งใช่ไหมดินดีขนาดว่าคนกินแทนข้าวได้นะ้นําดีขนาดว่าทุกหลังคาเรือนไม่ต้องมีตู้เย็นตักน้ํากินจากน้กําบ่์วักน้ํากินจากน้ําห้วยรอยเท้าวัวรอยเท้าปล า, ากลางทุ่งกลางนาใสากระจ่างดังหนึ่งกระจบ วักกินยามหิวยามกระหายก็ได้ผลมม้รากม้ทั้งหลายเราเดินไปปิดกินจากลำต้นสดสดซึ่งซึ่งหน้าก็ได้ไม่ต้องล้างน้ำสามน้ำสีน้ำไม่ต้องใบก็กินได้ดอกก็กินได้เปลือกก็กินได้ขูดๆูดมาหั่นหั น, หนผสม ลาาปลาลาวัลาควายลาบหมูทุกสิ่งทุกอย่างกินได้หมดสมัยก่อน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะลงไร่ลงนาวักน้ำมาล้างหน้าสิกลับมาแล้วผืนขึ้นเลยนะเห็นปูเห็นปลาอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเราเก็บมากินสิพรุ่งนี้ก็ท้องเสียเข้าโรงพยาบาลเดินเข้าไปในป่าในเขาอะหาต้นไม้ห้าคนออกสิบคนออกแทบไม่มีแล้วในเวลานี้ แม่น้ำลาคลองที่เราแก้ผ้ากระโดดเล่นทุ่มทุ่มทุ่มอย่างมีความสุขนั่นคือการอาบน้ำของพวกเราเมื่อสิบปียีสิบปีก่อนเดี๋ยวนี้ลรงกระโดดลงไปสิมีแต่ขยะมีแต่สารพิษปนเปื้อนทน่านทั้งหลายภูมิปัญญาชนิดไหนกันที่ทาให้เราไดกินจากป่าไม่เคารพป่าได้กินจากน้ำไม่เคารพน้ำได้กินจากดินไม่เคารพดิน ได้หายใจจากฟ้าไม่เคารพฟ้าภูมิปัญญาชนิดไหนที่ทำให้เราไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติภูมิปัญญาชนิดไหนที่ทำให้เรานันนกลายเป็นลูกที่เนรคุณต่อพระแมธ่ธรณีกลายเป็นลูกที่เนรคุณต่อพระแมภโภ่โพสตกลายเป็นลูกที่เนรคุณต่อเจ้าป่าเจ้าเขากลายเป็นลูกที่เนรคุณต่อรุกขเทวดา เทพเทวบรดามีนั้นจะมีตัวจริงหรือไ ม, ไม่ไม่สำคัญสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราเชื่อว่ามีเทพอยู่ในธรรมชาติมีเทพอยู่ในสิ่งแวดล้อมทำให้บ้านเราเมืองเรามีสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์นี่คือกุศโลบายอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษของเราท่านทั้งหลายในสมัยก่อนเขาไม่มีพิธีสืบชะตาน้ำเพราะอะไรเพราะคนที่คิดจะทาลายแหล่งน้าไม่มี เขาไม่มีวิธีบวชป่าเพราะอะไรก็เพราะคนที่คิดจะทําลายป่าชนิดที่โครนกันเป็นหมดเป็นลูกๆจนเป็นเขาหัวล้อนี่ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้เราต้องคิดคนพิธีสืบชะตานะ้ำพิธีบวชป่าขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าคนในยุคสมัยของเรานั้นโหดเห็นถ้าเป็นชาติใจไม้เซระกระดถ้าเราไม่สืบชะตานะั้นคนจะไม่เคารพนะ้ำ ถ้าเราไม่บวชป่าก็จะไม่มีป่าให้เป็นแหล่งเสาะหาอาหารให้พวกเราทั้งหลายท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสว่าตัวเรากับสิ่งแวดล้อมล้วนนับเนื่องอยู่ในกันและกันนะตัวเรากับสิ่งแวดล้อมตัวเรากับธรรมชาตินี้แยกออกจากกันไม่ได้นะถ้าเราคิดดูว่าตัวเรากับสิ่งแวดล้อมตัวเรากับธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือไม่ แท้ที่จริงเรากับสิ่งแวดล้อมเรากับธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นต่อกันและกันอาศัยกันและกันและเป็นดั่งกันและกันนะเช่นอากาศที่เราหายใจถ่าลองคิดดูนะว่าสิ่งแวดล้อมกับเราเนี่ยอาศัยกันและกันหรือไม่ขึ้นต่อกันและกันหรือไม่เป็นดั่งกันและกันหรือไม่ลองคิดอากาศที่เราหายใจมาจากไหนมาจากต้นไม้ใช่ไหมนี่ ฉะนั้นมีตัวเราอยู่ในต้นไม้นะมีต้นไม้อยู่ในตัวเรานะใช่ไหมในดินนี่ท่านทั้งหลายดินที่เราเหยียบเนี่ยมีดินอยู่ในตัวเราและมีตัวเราอยู่ในดินนะใช่ไหมสมมุติคืนนี้ฝนตกพรุ่งนี้เช้าเห็ดงอกหลังฝนพรำพลิ้วพล่อยเยอะแยะมากมายเห็ดอร่อยอร่อยทั้งนั้นนี่ มือเก็บเห็ดทั้งหลายรู้ดีใช่ไห ม, มเห็ดงอกมาเราก็ไปเก็บเห็ดมาเอามาใส่ใปตองหมกเห็ดหมกอร่อยใช่ไหมต้องหมกนะต้งหมกนะหอมอร่อยเพราะเรากินเข้าไปอาตามาถามหน่อยเห็ดมาจากไหนเห็ดมาจากดินดินแปรสถานภาพมาเป็นเห็ด เห็ดแปลงสถานะมามันเป็นอาหารในตัวเราพอเรากินเข้าไปกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อในเนื้อในตัวเราฉะนั้นในดินอยู่ในตัวเราแล้วมีเราอยู่ในดินใช่ไหมเราอยู่ในดินไหมวันหนึ่งเราตายลูกลับดับขันไปเผาจนเหลือเป็นผงครีทุลีดินปนดินปนทรายอยู่ตรงนั้นล่ะวันหนึ่ง ตัวเราซึ่งถูกเผาเป็นผงคลีทุลดินปนดินปนทรายอยู่ตรงนั้นปนไปปนมาปนมาปนไปมีใครสักคนหนึ่งเอาต้นมะม่วงลงไปปลูกแถวนั้นผงคลีทุลีดินซึ่งเป็นซากสังขารของเรากลายเป็นอะไรปุ๋ยซึ่งไปซึ่งมาซึ่งมาซึ่งไปรากมะม่วงเป็นดูดเอาดูดมาดูดไปหรอเลี้ยงขึ้นไปจนเป็นดอกมะม่วงเป็นผลมะม่วงเขาสุกพวก นะลูกเราไปสอยเมก็ดมันกําลังกินข้อมันใช่ไหมถ้าพ่ออุ๋ยตายนะพ่ออุ๋ยกลายเป็นผงกุียทุ่งดินกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นมะม่วงนะลูกหลานไปสอยมะม่วงเกิน้นยังไม่รู้มันกินพ่ออุ๋ยไม่อุ้ยมันนะเห็นไหมฉะนั้นในดินมีเราในเรามีดินในน้ํามีเราในเรามีน้ําในฟ้ามีเราในเรามีฟ้าในอากาศมีเราและ ในเราก็มีอากาศเรากับสิ่งแวดล้อมเป็นดังหนึ่งกันและกันเรากับสิ่งแวดล้อมนับเนื่องในกันและกันเรากับสิ่งแวดล้อมขึ้นต่อกันและกันแยกขาดจากการเมื่อไรทำลายน้ำเมื่อไรนะทำลายตัวเองทำลายป่าเมื่อไรทำลายตัวเองทำลายดินเมื่อไรทำลายตัวเองทำลายป่าไม้เมื่อไรก็ทำลายตัวเองหลักสากลนี้อยู่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำต่อคนอื่นและสิ่งอื่นจะกลับมาหาตัวเราเสมอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเช่นท่านด่าใครสักคนหนึ่งถ้าเขามารู้ภายหลังว่าเราด่าเขานะเยวเมาเขาจะชมเราหรือจะด่าเราเขาก็ต้องด่าเรานั่นแหละเราพูดดีๆถึงเขาพอรู้ถึงหูเขาเขาจะชื่นใจไหมเขาชื่นใจแล้วเขาจะพูดถึงเราในแง่ดีไหม เขาก็พูดดีทำอะไรดีๆให้เขามันย้อนกลับมาหาราวทททำอะไรไม่ดีต่อเขาก็ย้อนกลับมาหาราวททุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำต่อเขาและต่อคนต่อสิ่งของคือสิ่งแมดลอเป็นดังหนึ่งบุมบรงวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหาเราทั้งหมดท่านลองแบงมีดแบกขวานแบกเลื่อยไปฟาขึ้นไปบนเขาตัดต้นไม้สิตัดจนเตียนโล่งหมดแล้วลงข้าพดอย่างเดียว จากที่แต่เดิมบนเขามีไม้ใหญ่ไพรระหงมีพืชพันธุ์าหารเต็มไปหมดวันหนึ่งท่านตัดจนเตียนโลง่งแล้วปลูกพืชเชิงเดี่ยวล้นลวนพอฝนหาใหญ่เทลงมา5นานทีน้ำจากบนเขาถึงลำห้วยอีก10นานทีน้ำจากลำห้วยเข้าถึงหมู่บ้านและท่วมกันทั้งบ้านทั้งเมือง ท่านเห็นหรือยังเขาว่าในสมัยก่อนฝนที่ตกที่ภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่แพร่น่านลำปางกว่าจะไหลรวมกันไปลงยางปิงวังยมนั่นแล้วไปออกปากน้ําโพที่นครสวรรค์ใช้เวลาเป็นเดือนเดือนเดี๋ยวนี้ใช้เวลาสามวันทะลุปากน้ำโโพทำไมไม่มีป่าช่วยกักเก็บน้ำแล้วถามว่าทำไมมันเร็วขนาดนั้น ถ้าท่านอยากรู้ว่าทําไมเร็วขนาดนั้นท่านไปที่วัดเอาน้ําไปขันหนึ่งขอขมาคารวะเนน้อยเอาน้ําราดหัวเ น, น้อยแล้วดูน้ํามันไหลลงเร็วอ่าไปขอขมาก่อนนะอเพราะเนนไม่อุ้ยขอทดลองทฤษฎีท่านวหน่อยว่าบนเขาที่ไม่มีป่านั้นถ้าเอาน้ํารดลงเนี่นมันไหลเร็วมากจริงไหมนะลองดู แล้วเทียบกับหัวเราซึ่งมีผมอเอาน้ําเทลงไปกว่ามันจะไหลอาบหนะ้าอาบตาลงมานี่มันช้านะยิ่งผมเยอะๆนี่ก็ไหลช้าใช่ไหมแต่เอาน้ําเทใส่หัวเน้ยนยๆพดเดียวเลยถึงข้างเลยเห็นแล้วยังถ้าท่านตัดป่าตัดไม้ท่านทั้งหลายฝนตกลงมาอะไรจะเก็บน้ําให้ท่านต้นไม้คือเขื่อนตามธรรมชาติที่ดีที่สุด เพราะเขาไม่ได้เก็บแค่น้ำไว้ให้เราเขาเก็บอากาศเขาเก็บอาหารต้นไม้คือศูนย์รวมแห่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดท่านทั้งหลายพอเราโค่นต้นไม้ทิ้งทั้งหมดรู้ไหมห้างสปปรรพสินค้าของคนยากคนจนพังคลื่นลงไปเลยท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าปาทั้งปาเขาทั้งเขานั่นคือห้างสปปรรพสินค้า คุณจะหาของกินคุณเข้าไปสิคุณเอาตะ ก, กร้าเปล่าเข้าไปสิคุณเอากระสอบเปล่าขึ้นไปสิคุณเอาย่ามเปล่าขึ้นไปสิกลับลงมาตอนเย็นเนะี่ยเต็มตะ ก, กร้าเต็มย่ามเต็มกระสอบแล้วอาตมาถามหน่อยเจ้าป่าเจ้าเขาอะท่านเก็บตั้งเราไหมไปเก็บเห็ดมาเนี่ยเต็มกระสอบปุ๋ยเลยหาจากออกจากป่าเนี่ย ท่านขึงเชือกเก็บค่าเห็ดไหมนี่นีขึ้นไปนี่ไปหักลอไม้มาใส่กระสอบมาเป็นสิบกระสอบเจ้าป่าเจ้าเขาส่งเจ้าหน้าที่มาดักเราแล้วเก็บค่าหลอไม้ไหมขุดลงไปในดินเอาแมงมันมาเนี่ยตันงตะกร้าเลยเนะแมงมันเก็บภาษีที่ไหนเรา ป่าให้เราฟรีทั้งนั้นน่ะแม่น้ำลำคลองให้เราฟรีทั้งนั้นผืนไร่ผืนนาให้เราฟรีทั้งนั้นทำคุณต่อเราโดยไม่เคยทวงถามถึงการตอบแทนน่ะธรรมชาติธรรมชาตินะ่ะมีพระคุณต่อเราเหมือนพ่อเหมือนแม่ที่กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูและรักลูกโดยไม่เคยทวงถามถึงการตอบแทนและทุกวันนี้ลูกหลานของธรรมชาติอย่างเราท่านทั้งหลายทำต่อธรรมชาติยังไง ได้กินจากปลาหรือตัดปลาน่ะได้กินจากน้ําหรือทําน้ํากกระปรกได้กินจากดินเอาสารเคมีใส่ลงไปในหน้าดินใส่เข้าไปสิทุกปีทุกปีทุก ป, กปีสองปีหน้าดินก็ตายหมดปลูกอะไรไม่ขึ้นก็ต้องซื้ อ, อปุ๋ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็แพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นยิ่งทํานาก็ยิ่งจนมีชาวนาคนหนึ่งไปเล่าให้ธรรมาฟังว่า พระอาจารย์ครับผมอยากมาเรียนกับพระอาจารย์ทำไมล่ะโยมผมทานามาสามสิบปีครับมีแต่นี่อาจารยมาถามโยมทำมาสามสิบปีตามหลักมันต้องรวยไม่รู้เรื่องนะนี่ทํายังไงเนี่ยทาไปธรรมามีแต่นี่ต้องสามสิบปีก็เพราะทําไปทําร้ายดินไปใส่ปุ๋ยไป พอดินตายหน้าดินไม่มีปุ๋ยไม่มีโอชะจากแผ่นดินต้องเพิ่มสารเคมีต้องเพิ่มปุ๋ยสุดท้ายทำนาเสร็จเรียบร้อยเงินทั้งหลายก็ไปจ่ายค่าปุ๋ยไปจ่ายค่ า, มาเมล็ดพันธุ์พอเริ่มจะมีเงินมีทองเป็นก้อนขึ้นมาสักสี่หมื่นห้าหมืนไปตรวดที่โรงพยาบาลมีสารเคมีอยู่ในเนื้อในตัวได้เงินได้ทองมาไม่ได้กินไม่ได้ใช้ ไปไปมามาเข้าเข้าออกออกออกเข้าเโรงพยาบาลตายเพราะอะไรตายเพราะผลงานตัวเองรุ้นรุนเลยไม่มีใครทําให้นะ่ะทําให้ตัวเองได้แท้นี่ไงได้กินจากน้ำไม่เคารพน้ำได้กินจากป่าไม่เคารพป่าได้กินจากดินไม่เคารพดินได้กินจากฟ้าไม่เคารพฟ้าทั้งทั้งหลายธรรมชาติกับตัวเรานี้แยกกันไม่ออกนะ ในตัวเรามีเม็ดฝนนะมีไหมในตัวเรามีเม็ดฝนไหมฝนหล่นลงมาซึมซาบอยู่ในพืชผักสวนครัวเปเด็ดผักบุ้งมาผัด น, น้ำที่ไหลออกมาจากก้านผัดบุง้งมาจากไหนก็มาจากฟ้าไงฉะนั้นเราเป็นนี่ก้อนเมฆเนี่ยรู้หรือเปล่าเนี่ยเราเป็นนี่ฝนรู้ไหม เราต้องคิดจนกระทั่งมองเห็นตัวเราอยู่ในธรรมชาติทุกอย่า ง, นะ ม, องา ม, ามองเห็นตัวเราซึมซาบอยู่ในดินมองเห็นตัวเราซึมซาบอยู่ในน้ำมองเห็นตัวเราซึมซาบอยู่ในป่ามองเห็นตัวเราซึมซาบอยู่ในก้อนแม่ถ้าเรามองเห็นตัวเราอยู่ในทุกสรรพสิ่งเราจะไม่ทำร้ายสรรพสิ่งที่รายล้อมตัวเราอยู่เลย ท่านั้งหลายเรากับธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างนี้ฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราลุกขึ้นมาทำลายดินทำลายน้ำทำลายป่าทำลายเขาทำลายอากาศเรากำลังทำลายทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเองต้องใช้ปัญญาขั้นลึกจึงจะมองเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเรากับสิ่งแวดล้อมและระหว่างเรากับธรรมชาติ ท่านทั้งหลายการที่เราจะปกปักรักษาสิ่งแวดลอ้อมการที่เราจะปกปักรักษาธรรมชาติให้อยู่ยั้งยืนยงให้เป็นดังหนึ่งสิ่งแวดลอ้อมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อความเพ่มเย็นเป็นสุขของเราได้นั้นจะต้องใช้คุณธรรมสองสามประการประการหนึ่งคือปัญญาเราต้องพิจารณาจนสามารถมองเห็นตัวเองที่แทรกซึมอยู่ในสิ่งแวดลอ้อมและมองเห็นสิ่งแวดล้อมที่แทรกซึมอยู่ในตัวเรา อีกประการหนึ่งก็คือความกตัญญูรู้คุณได้กินจากน้ำเราต้องเคารพน้ำได้กินจากป่าเราต้องเคารพป่าได้กินจากเขาเราต้องเคารพเขาได้กินจากดินเราต้องเคารพดินได้รับประโยชน์จากสิ่งใดเราต้องเคารพสิ่งนั้นประการที่สามเราต้องมองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าเป็นเหมือนเปลือกไข่ของเราลูกเจี๊ยบ ที่อยู่ในกระปาะฟองของเปลือกไข่มีความสวัสดีมีชัยอยู่ได้ก็เพราะกระปะ๋อฟองนั้นมีความมั่นคงมีความปลอดภยัยจากนั้นจึงสามารถฟักตัวออกมาเป็นลูกไก่และเจริญเติบโตได้อย่างมีความสุขฉันใดเราท่านั้งหลายก็เป็นดังลูกเจียบของธรรมชาติและสิ่งแวดแล้อม ดินน้ําฟ้าป่าเขาอากาศเป็นดังหนึ่งกระเปาะงฟองไข่ของลูกเจี๊ยบที่ชื่อมนุษย์ฉะนั้นถ้าเราทําลายสิ่งแวดล้อมทําลายธรรมชาติเท่ากับเรากําลังทําลายป้อมปราการที่ปกป้องเราด้วยเหตุดังนั้นเราต้องมองธรรมชาติว่าเป็นผู้มีพระคุณล้นเกลืดล้นเกล้าของเราเราต้องช่วยกันเทิดทูนธรรมชาติพิทักษารักษาธรรมชาติด้วยปัญญา ด้วยความกตัญญูและด้วยทาทีที่มองธรรมชาติว่าเป็นผู้มีพระคุณเราจึงจะสามารถร่วมกันปกปกัปกรักษาสิ่งแวด ล, ลอ้อมให้กลายเป็นบ้านที่แสนอบ อ, อุ่นให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าที่เต็มเตี่ยมไปด้วยสัพพะอาหารที่พร้อมจะหล่อเลี้ยงเราได้ทุกเมื่อยามที่เราหิวยามที่เรากระหายและยามที่เราต้องการ น, นอกจากนั้น อีกวิธีหนึ่งที่เราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุดก็คือการจัดงานเช่นวันนี้แหละท่านทั้งหลายงานสืบชะตาดินสืบชะตาน้ำสืบชะตาฟ้าสืบชะตาป่านี่แหละเป็นงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนี่คือการปลุกนี่คือการกระตุ้นนี่คือการส่งสัญญาณให้คนรุ่นหลังอย่างเราท่านทั้งหลายนี้ ตื่นขึ้นมาตระหนักรู้ถึงความสําคัญของดินน้ำฟ้าป่าเขาฉะนั้นงานอย่างนี้ควรมีทุกปีทุกปีทุกปีเพื่อปลุกคนที่ยังหลับไหลให้ตื่นขึ้นมาเห็นคุณค่าของสิ่งแวดลอ้อมเห็นคุณค่าของธรรมชาติงานเช่นนี้จึงไม่ได้มีความหมายแค่พิธีกรรมอย่างหนึ่งนะแต่ธรรมภาพมองว่างานนี้คือพิธีธรรมคือมีธรรมะแทรกซึมอยู่ทุกอนูของเนื้องาน ฉะนั้นใครเริ่มต้นงานนี้ขึ้นมาอาตมาภาพขอประกาศอนุโมทนาไว้จงนี้ทุกท่านทุกคนทุกภาคส่วนเลยทีเดียวเราท่านเดินมาถูกทางแล้วเพราะงานสืบชะตาแม่น้ำนี้เป็นงานเชิงสั ญ, ญลักษณ์ปลุกเราท่านทั้งหลายให้ตื่นขึ้นมารู้ค่าของผืนดินผืนน้ำผืนฟ้าผืนป่าผืนเขา วันหนึ่งเมื่อเรารักดินรักน้ำรักฟ้ารักป่ า, ร, ปารักเขาเท่ากับว่าเรากําลังรักตัวเองถ้าเรากําลังดูแลน้ําดูแลฟ้าดูแลป่าดูแลเขาเท่ากับเรากําลังดูแลตัวเองและถ้าเรากตันญูต่อน้ําฟ้าป่าเขาก็เท่ากับเรากําลังกรตันญูต่อตัวเองท่านทั้งหลายโลกของเราจะเป็นนรกจะเป็นสวรรค์ ขึ้นอยู่กับมันสมองสองมือของเราทุกคนนี่แหละจะปฏิบัติต่อโลกถ้าเราปฏิบัติดีต่อโลกโลกนี้คือสวรรค์ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีต่อโลกโลกนี้ก็คือนาร่อันดมาภาพอยากติงอยากเตือนให้เราท่านทั้งหลายเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าของธรรมชาติเสียแต่วันนี้เสียแต่ตอนที่เสียแต่วันนี้คือตั้งแต่ตอนที่ธรรมชาติยังคงมสมบูรณ์ อย่าให้ต้องมานั่งนึกถึงคุณค่าของเดนน้ำฟ้าป่าเขาตอนที่สิ่งเหล่านั้นเสื่อมโทรมใกล้จะหมดสิ้นอาตมาภาพต้องเดินทางไปสดแสดงธรรมที่ประเทศตะวันออกกลางท่านทั้งหลายไปที่นั่นได้ไปเยี่ยมกลุ่มพี่น้องคนงานเราชาวไทยสามสี่ร้อยคนสามประเทศประเทศกาตาร์ประเทศบาเรนประเทศโอมานท่านทั้งหลายลองคิดดูนะในเมืองไทยของเรานั้น มีน้ำมากมายมหาศาลท่านทั้งหลายลองเอาไปดูที่แม่น้ำกกสิน้ำจืดทั้งนั้นนอกจากน้ำกกยังมีอะไรยังมีน้ําอิงยังมีน้ำโขงยังมีปิงวังยมน่านสันป่าสักเจ้าพระยาและห้วยเล็กแควน้อยบึองอีกมากมายในเมืองไทยนั้นนับกันไม่ไหวไม่ไหว แล้วฝนตกมาเนี่ยปีหนึ่งหนึ่งก็ここได้น้ำปริมาณมหาศาลแล้วไหลทิ้งไหลกว่างอีกเท่าไรเราเห็นคุณค่าของน้ำไหมในตะวันออกกลางประเทศเหล่านั้นไม่มีน้ำจืดต้องกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเอาน้ำจืดมาดื่มมาอาบ มากินมาใช้ในประเทศแถบตะวันออกกลางซึ่งมองไปทางไหนมีแต่ทะเลทรายน้ำจืดมีค่าดังหนึ่งทองคา <c oughs> เราท่านทั้งหลายที่มองไปทางไหนก็มีน้ำสุดลูกมลูกตาวันนี้ถ้าเรายังไม่รักน้ำยังคงทำลายแหล่งน้ำวันหนึ่งพอเหลือแต่ทะเลทรายนะเราจะรู้ดีว่า น้ำมีคุณค่าแค่ไหนฉะนั้นอย่าให้ถึงขั้นต้องมาตระหนักรู้ถึงคุณค่าของดินน้ำฟ้าป่าเขาตอนที่มันเสื่อมทรมเลยเรารู้ตอนนี้ตอนที่มันยังดีๆอยู่แล้วช่วยกันปกปักรักษาดินน้ำฟ้าป่าเขาให้สมบูรณ์ที่สุดถ้าเราทําได้ก็เป็นโชคดีของเราเป็นโชคดีของลูกของหลานของเราที่จะได้เกิดขึ้นมาในถ้ำกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นวันนี้เราท่าั้งหลายมารวมกันตรงจุดนี้ตามาภาพจริงคอนุพัทานาทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างสรรพัฒนาให้มีงานที่เต็มไปด้วยบุญเต็มไปด้วยกุศลเต็มไปด้วยประโยชน์สอดทิพผลเพราะสิ่งที่ทุกท่านทำแท้ที่จริงไม่ได้ทาเพื่อคนจังหวัเท่านั้นเราทาเพื่อพี่น้องเราชาวไทยทั้งประเทศเราทาเพื่อพี่น้องเราชาวโลกทั้งหมด เพราะน้ำที่ไหลไปจากแม่น้ำกกก็จะลงไปยังแม่น้ำโขงน้ำที่ไหลาจากแม่น้ำโขงก็จะไหลไปรวมกับลําธารละหานห้วยใหญ่ๆรอเลี้ยงคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคแถบนี้นับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับ 100, 000, ล้านล้านคนฉะนั้นเราเสือกชะตาน้ํากกแห่งเดียวคุ้มคนไทยทั้งประเทศคุ้มเพื่อนบ้านของเราอีกนับหมื่นนับแสนนับล้าน และที่สําคัญหากน้ํายังคงอยู่ชีวิตของเราก็ยังคงอยู่ต่อไปได้เมื่อไรก็ตามไม่มีน้ําชีวิตของเราก็ยากที่จะอยู่อย่างยืนยงฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายจงรักษาฤิรอยประเพณีอันดีงามเช่นนี้ไว้ให้นานเท่านานที่สุดเท่าที่ศักยภาพทางภูมิปัญญายของเราจะทําได้เพราะแทนที่จริงการเสื่อมชะตาน้ํากล่าวโดวยสรุป คือการสืบชะตาชีวิตเราทุกคนเพราะที่ดใดเม่น้าที่นั่นย่อมเม่นชีวิตเอาลักในฮาดิส่วนนี้ขออนุมโมทนาสาธุการทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานสืบชะตาลาน้ำกบขอให้กันทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลโดยทั่วหน้ากาันคิดพูดทำสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมจงสมดังความมุ่งมากปรารถนาทุกประการเถอด ธรรมบัญญายเรื่องคนและป่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ถึงกันโดยท่านววชิระเมธีก็จบลงแล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญสัตวชนทุกท่านกรุณายืดกายให้ตรงดำรงสติให้มัน่นหลับตาลงยิ้มในน้อยที่ริมฝีปากผ่อนคลายกายใ จ, ใจ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 การจเจริญจิตภาวนาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญสาธุชนทุกท่านมาแผ่มเมตตาพร้อมกันนะคะ